คำแนะนำเบื้องตน้นอิมาโฮในช่วงปลายแห่งยุคนี้ความรู้ในเทมาอันล้ำค่าของฉันจะแผ่กระจายไปทั่วที่เบตดินแดนแห่งฮิมะพวกเธอจงตั้งใจฟังเมื่อถึงเวลานั้นพวกเธอทั้งหมดจะปฏิบัติตามคำแนะนำของฉัน มันเป็นการยากที่จะบังเกิดความแจ้งชัดอย่างแท้จริงในธรรมชาติของอาติโยคะแห่งความสมบูรณ์อันยิ่งดังนั้นจงภาคเพียรปฏิบัติมันให้มากธรรมชาตินี้คือสภาวะแห่งความตื่นรู้ดั้งเดิมของจิตหากเธอแจ้งชัดในธรรมชาตินี้แม้ว่ากายของเธอ จะยังคงเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่จิตใจของเธอจะบรรลุสู่พุทธภาวะเทมาหมายถึงสมบัติล้ำค่าอันเป็นคำสอนและคำแนะนำในการปฏิบัติของท่านครู ป, ปัตมะสัมภาวะที่ได้เก็บซ่อนไว้อย่างพิเศษตามที่ต่างๆเช่นในถ้ำในก้อนหินใต้น้ำหรือแม้กระทั่งในอากาศ เพื่อเททอนในอนาคตที่เป็นยุคเสื่อมแห่งพระศัทธธรรมจะได้มาศึกษาปฏิบัติและนำไปเผยแพร่ต่อไปซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบเช่นคำพีพระธาตุวัสดุที่ใช้ในทางาศาสนาหรือแม้กระทั่งวัตถุในธรรมชาติเททอนคือลูกศิษย์ที่ได้รับการกำหนดไว้ ผู้จะกลับชาติมาเกิดในอนาคตเพื่อมาศึกษาเทมาและนำไปเผยแพร่ต่อไปเพื่อเป็นการรักษาพระสัตธรรมที่แท้จริงให้ดำรงอยู่อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพราะในยุคเสื่อมนั้นจะบังเกิดพระสัทธรรมปฏิรูปขึ้นมากมาย ไม่ว่าการบรรลุถึงผลของคําสอนเรื่องความสมบูรณ์อันยิ่งนั้นจะลุ่มลึกหรือกว้างขวางเพียงใดมันก็ล้วนรวมอยู่ในสิ่งนี้จงอย่าได้พยายามใช้การครุ้นคิดพิจารณาถึงมันแม้เพียงอนุเล็กๆและจงอย่าได้ปล่อยใจให้วันไวแม้เพียงชั่วขณะ มันเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจในสิ่งนี้ที่มักจะคิดว่าถ้าเช่นนั้นมันก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรทั้งๆ ท, ที่จิตของเขาก็ยังคงผูกมัดติดจมอยู่กับอารมณ์ของโลกและแม้ว่าบางคนจะสามารถแจ้งชัดในธรรมชาติอันแท้จริงที่นอกเหนือการปฏิบัตินี้ได้เขาก็ควรจะแจ้งชัด ในความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งสังสารวัฏและนิพพานและสามารถเป็นอิสระได้จากมันทั้งสองเมื่อบังเกิดความรู้แจ้งขึ้นอย่างแท้จริงถือย่อมจะเป็นอิสระจากสังสารวัฏซึ่งกิเลสเครื่องมัวหมองทั้งหลายจะสลายไป และความตื่นรู้ที่แท้จริงย่อมบังเกิดขึ้นความรู้แจ้งที่ไม่สามารถทําให้กิเลสของเธอลดลงได้เลยมันจะมีประโยชน์อันใดกันมีนักปฏิบัติหลายคนที่มักจะจมอยู่ในพิษทั้งห้าหลังออกจากการภาวนานั่นแสดงว่าเขายังไม่ได้แจ้งชัดในธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งแน่นอนว่า เขาย่อมทำตัวเองให้ไปสู่นรกจงอย่าได้อ้างถึงความเห็นที่เธ อ, อย่างไม่ได้เข้าใจอย่างแจ้งชัดเนื่องเพราะความเห็นเองก็ว่างเปล่าแกนแท้ของจิตคือความว่างอันยิ่งใหญ่ที่แร่กระจายอยู่ทั่วทุกขนแห่งเนื่องเพราะการภาวนาที่แท้จริงย่อมปราศจากการพิจารณาถึงสิ่งใดอีก จงปล่อยให้ประสบการณ์ตรงของเธอเกิดขึ้นโดยปราศจากการยึดติดเนื่องเพราะศีลวินัยที่แท้จริงนั้นย่อมปราศจากการพยายามกระทาซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่ไร้การปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงเนื่องเพราะผลที่แท้จริงนั้น ย่อมปราศจากการที่จะต้องปล่อยวางหรือการบรรลุถึงสิ่งใดมันเป็นความสุขอันยิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมกายสีประโยคนี้คือคำพูดจากใจของฉันหากเธอมีความเห็นที่ขัดแยง้งนั่นเธอย่อมไม่สามารถค้นพบธรรมชาติอันแท้จริงแห่งอติโยคะได้ ในอนาคตจะมีนักปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างผิดเพี้ยนมากมายผู้ที่เอาธรรมะมาหากินดังเช่นสินค้าเพื่อการค้าขายซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นพวกเธอทั้งหลายที่เชื่อฟังคำสอนของฉันก็จะไม่ละทิ้งกุศลธรรมทั้งปวงแม้ว่าความรู้แจ้งของเธอจะเท่าเทียมกับองค์พุทธะทั้งหลาย เธอก็ควรที่จะทำการสการะบูชาพระรัตนตรัยอยู่เสมอแม้ว่าเธอจะสามารถฝึกจิตของเธอได้สําเร็จเธอก็ควรจะดําเนินตามพระธรรมแม้ว่าธรรมชาติแห่งความสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่นั้นจะเป็นสิ่งที่ล้าเลิศอย่างยิ่งเธอก็จงอย่าได้ดูถูกคำสอนอื่น แม้ว่าเธอจะบังเกิดความแจ้งชัดว่าองค์พุท ธ, ธะและสรพสัตมนั้นมิได้แตกต่างกันเธอก็ควรจะดำรงอยู่ด้วยความเมตตากรุณาแม้ว่าขนทางมักและภพภูมิจะอยู่นอกเหนือการฝึกฝนและการเดินทางเธอจงอย่าได้ละทิ้งการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสเครื่องมัวหมองทั้งหลาย แม้ว่าการสร้างสมบุญบารมีที่แท้จริงนั้นอยู่นอกเหนือการเก็บสะสมสิ่งใดเธอก็จงอย่าได้ตัดขาดจากการกระทำอันเป็นกุศลทั้งหลายที่เป็นเหตุปัจจัยของมันแม้ว่าจิตของเธอจะพ้นแล้วจากการเกิดตายแต่กายอันเป็นมายานี้ย่อมตายอยู่ดีดังนั้นจงภาคเพียรปฏิบัติให้มาก ในขณะที่ยังระลึกถึงความตายได้อยู่แม้ว่าเธอจะมีประสบการณ์ตรงต่อธรรมตาอันปราศจากความคิดปรุงแต่งแล้วก็ตามเธอก็ควรจะคงรักษาโพธิจิตไว้อยู่เสมอแม้ว่าเธอจะบรรลุถึงธรรมแห่งธรรมกายแล้วก็ตามจงคงรักษาสัมพันธ์ที่ดีอันมีต่อเทพยิดแดมของเธอไว้ แม้ว่าธรรมกายจะไม่ใช่อีกสถานที่หนึ่งจงสแสวงหาความหมายที่แท้จริงของมันแม้ว่าพุทธภาวะจะไม่ได้อยู่ในที่อื่นใดจงอุทิศบุญกุศลที่เธอได้บำเพ็ญ น, นั้นเพื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นอันสูงสุดด้วยเสมอแม้ว่าประสบการณ์ทั้งหลาย ล้วนคือความตื่นรู้เดิมแท้ในตัวมันเองอยู่แล้วจงอย่าปล่อยให้จิตใจของเธอตกจมลงไปในสังสารวัตแม้ว่าแก่นแท้ของจิตเธอจะคือความตื่นรู้อยู่แล้วในตัวมันเองจงเคารพบูชาเทพแห่งพุทธะและอาจารย์ของเธออยู่เป็นประจำแม้ว่าเธอจะได้แจ้งชัด ถึงธรรมชาติแห่งความสมบูรณ์อันยิ่งจงอย่าได้ละทิ้งเทพยิดแดมของเธอสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตรงข้ามกับที่กล่าวมานี้การคุยโวโอ้ อ, อวดในธรรมอันมากมายล้วนเป็นเพียงการทำลายพระรัตนตรัยให้เสื่อมเสียและเขายอมไม่มีทางพบกับความสุขที่แท้จริงแม้เพียงชั่วขณะ ครูปัตมาสัมภาวะได้กล่าวต่อว่ามนุษย์มักไม่คิดถึงความตายชีวิตคนนั้นเบกบางราวกับกองฟางหรือคนนกที่ปลิวไปตามภูเขาพญามั จ, จุราชย่อมมาโดยไม่คาดฝันเหมือนกับแผ่นดินถลม่มหรือลมพายุอารมณ์ที่รบกวนทั้งหลายเป็นเหมือนกับไฟไม่ฟาง ชีวิตของเธอนั้นสั้นลงสั้นลงทุกนาทีเหมือนกับพระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าสัพสัตทั้งหลายในภพภูมิทั้งสามต่างล้วนนำตนให้เข้าไปพัวพันอยู่กับมังกรดำแห่งโทสะทิมแทงตัวเองด้วยเขาวัวแดงแห่งโลภะบทบังตนเองด้วยความมืดมิดแห่งโมหะ ลามตนเองไว้ริมหน้าผาอันสูงชันแห่งทิฐิมานะทำตนให้เหลวแหลกด้วยความอิจฉาริษยาซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ตนสร้างขึ้นเองทั้งสิ้นมนุษย์มิได้สังเกตเลยว่าพวกเขาไม่สามารถหนีพ้นอันตรายจากกิเลสทั้งห้านี้ได้เลยพวกเขาเฝ้าแต่กระทาในสิ่งที่ทำให้ตน เกิดความพึงพอใจในสังสารวัตนี้เท่านั้นชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สังสารวัตนั้นกลับหาที่สิ้นสุดไม่ได้เธอคิดว่าเธอจะทำอะไรในชีวิตหน้าไม่มีใครรับรองได้ว่าชีวิตนี้จะยืนยาวเท่าใดความตายย่อมไม่แน่นอนเหมือนกับนักโทษ ที่ถูกนําไปสู่แดนประหารเธอกําลังคืบคลานเข้าสู่ความตายในทุกขณะสัพสัตทั้งหลายล้วนมิได้ดํารงอยู่ถาวรและต้องตายในที่สุดที่ผ่านมาเธอไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องคนตายเลยหรือเธอไม่เคยเห็นญาติมิตรของเธอตายเลยหรือเธอไม่ได้สังเกตหรือว่า เรากำลังแก่ลงทุกวันแล้วแทนที่เธอจะขยันปฏิบัติธรรมเธอกลับทำเป็นลืมเรื่องอนันนาวาดวันเหล่านี้แทนที่เธอจะหวาดกลัวความทุกข์ยากในอนาคตเธอกลับเมินเฉยต่อความทุกข์ในนรกวิ่งไล่ตามต่อสิ่งต่างๆอันไร้าสาระรอบตัวถูกผูกไว้ด้วยเชือกแห่งความยึดติดโดยความเป็นคู่ สูนสิ้นกำลังด้วยแม่น้ำแห่งตันหาติดอยู่ในตาข่ายแห่งสังสารวัตรถูกมัดตรึงด้วยโซ่ตรวนอันแน่นหนาของวิบากกรรมแม้ว่าจะมีโอกาสได้ศึกษาธรรมเธอก็ยังคงหลงยึดติดในสิ่งที่ผิดเพี้ยนจอมปลอมและดำรงอยู่ด้วยความประมาทหรือว่าความตายจะไม่มาถึงคนอย่างเธอหรอกหรือ ฉันเวทนาสงสารคนที่คิดเช่นนี้จริงๆท่านคุรุได้กล่าวต่อว่าเมื่อเธอตระหนักในใจเสมอถึงความทุกข์ยากของความตายมันจะเกิดความแจ้งชัดว่าทุกๆ ก, กิจการงานที่เธอกระทำล้วนนำไปสู่ความทุกข์ดังนั้น จงเลิกกระทาเช่นนั้นเสียจงตัดเครื่องผูกทั้งหลายเสียให้หมดไม่ว่ามันจะเล็กน้อยเพียงไหนและพาคเพียรภาวนาในเรื่องสุญญาตาอันเป็นยากแก้ชันเลิศอยู่ในที่สงบวิเวกมันไม่มีอะไรเลยที่จะช่วยเธอได้ยาเมื่อความตายมาถึงดังนั้นจงปฏิบัติธรรมเธอเพราะมันจะเป็นเครื่องช่วยที่ดีที่สุด ผู้รุกของเธอและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือผู้ปกป้องที่ดีที่สุดดังนั้นจงถือท่านเป็นสารณะด้วยความจริงใจการปฏิบัติธรรมคือสิ่งที่จะช่วยพัฒนาจิตของเธอได้ดีที่สุดจงจดจำสิ่งที่เธอได้ยินให้ดีเพราะธรรมะเป็นสิ่งล้ำค่าที่ควรไว้วางใจ ไม่ว่าเธอจะปฏิบัติทำแบบใดจงพยายามละทิ้งความโง่งง่วงซึ่งสืมและเกียดคร้านแต่ให้สวมเสื้อเกราะแห่งความขยันขันแข็งและไม่ว่าทำใดที่เธอเข้าใจได้อย่างแจ้งชัดจงอย่าได้ทำตนให้แยกต่างออกจากความหมายของมัน ท่านครูปัตตมาสามภาวะได้กล่าวว่าจงกระทำเช่นนี้หากเธอต้องการจะปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงจดจำคําแนะนำของครูรุกของเธอให้ดีจงอย่าได้หลงให้คุณค่าความหมายกับสภาวะต่างๆที่เธอประสบเพราะมันเป็นเพียงสิ่งที่จะทำให้เธอหลงยึดติดด้วยความพอใจหรือไม่พอใจเท่านั้น ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนจงเฝ้าเรียนรู้สังเกตจิตของเธอเองหากจิตของเธอประกอบไปด้วยอกุศลจงละทิ้งมันให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเธอโดยไม่เหลือเชื้อและมันเจริญแต่กุศลยิ่งไปกว่านั้นอย่าเมื่อเธอเห็นผู้อื่นกระทำไม่ดีจงเมตตาเขามันเป็นไปได้มาก ที่เธอจะรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเกิดความขุ่นเคืองต่อการกระทําเช่นนั้นจงละเลิกมันเสียยามเมื่อเธอเกิดความยึดติดในอารมณ์ที่น่ายินดีและขุนเคืองกับอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีจงเข้าใจไว้เถิดว่านั่นคือความหลงของจิตเธอเองมันไม่ได้เป็นอะไรอื่น นอกไปจากมายาอันลุงหล่อของจิตเธอเองอยามเมื่อเธอได้ยินคําพูดที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจจงเข้าใจไว้เถิดว่านั่นเป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนอันว่างเปล่าเช่นเดียวกับเสียงสะท้อนในที่ต่างๆที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันมากมายยามเมื่อเธอประสบกับเคราะหกรรมและเรื่องร้าย จงเข้าใจไว้เถิดว่ามันเป็นเพียงสิ่งลวงหลอกที่เกิดขึ้นชั่วคราวจงมองให้เห็นว่าธรรมชาติเดิมแท้ของมันนั้นมีเคยแยกต่างไปจากเธอเลยการได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักมันจึงเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งที่เธอละเลยการปฏิบัติธรรมในเมื่อเธอมีโอกาสที่ได้พบมันแล้ว มีเพียงพระธรรมเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้นอกนั้นมันเป็นเพียงสิ่งเพลิดเพลินของโลกท่านคุรุได้กล่าวอีกว่าสัตว์โลกย่อมประกอบด้วยอกุสุลกรรมอันมากมายเฝ้าทยานอยากไปในความสุขสบายและสิ่งไร้สาระของโลก กระทำสิ่งต่างๆลงไปโดยไม่ได้คํานึงถึงวิบากกรรมที่ตนจะต้องรับความทุกข์ทรมานในอนาคตย่อมรุนแรงและยาวนานกว่าปัจจุบันมากมายนักดังนั้นจงมีความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ราวกับมารดาที่รักบุตรของตนรักษาความตื่นรู้แหง่งโพธิจิตให้มั่นคง ละกุศลกรรมทั้งสิบให้หมดสิ้นและหมั่นเจริญแต่กุศลอยู่เสมอจงอย่าได้มองผู้อื่นหรือสรรพสัตว์ใดๆเป็นศัตรูการกระทำเช่นนั้นมันเป็นเพียงผลแห่งความหลงของจิตเธอเท่านั้นจงอย่าได้สแสวงหาอาหารและเครื่องดื่มด้วยการโกหกหลอกลวงแม้ว่าท้องจะอิ่มในชาตินี้ แต่มันจะหนักมากในชาติต่อไปจงอย่าได้เข้าไปหมกมุ่นกับธุรกิจการหากำไรมันจะเป็นเครื่องรบกวนจิตใจของเธอและผู้อื่นให้วันไหวจงอย่าได้ยึดติดหรือให้ความสำคัญกับทรัพย์สมบัติเพราะมันเป็นศัตรูของการภาวนาและการปฏิบัติธรรม การตกจมอยู่ในแต่เรื่องอาหารการกินนั้นเป็นเหตุให้จิตใจว้าวุ่นจงรักษาการภาวนาให้สืบเนื่องเพื่อเป็นสเสบียงอย่างเพียงพอสำหรับตัวเธอจงอย่าอยู่ในสถานที่ที่มากด้วยสิ่งยั่วยวนหรือรบกวนจิตใจของเธออย่าเมื่อร่างกายของเธอสงบวิเวกจิตใจของเธอก็ย่อมเป็นเช่นนั้น จงละเลิกการพูดคุยอันไร้สาระและการซุบซิบยินทาหากเธอทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำเธอทั้งคู่กําลังสร้างกรรมโดยแท้แล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีข้อยกเว้นล้วนเคยเป็นพ่อแม่ของเธอมาดังนั้นจงอย่าปล่อยใจให้รู้สึกหลงรักหรือเกลียดชัง คงรักษาจิตที่สงบเย็นไว้และเลิกความขุนเคืองและคำพูดที่ทำร้ายจิตใจกันตรงกันข้ามจงพูดด้วยความยิ้มแย้มและจริงใจคุณความดีของปุพพการีนั้นไม่สามารถจะชดใช้ได้หมดแม้ว่าเธอจะเสียสละแม้ชีวิตของเธอเองดังนั้นจงคิด พูดและกระทำต่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความเคารพทั้งคุณความดีและความชั่วล้วนมาจากการรับรู้และการสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนั้นจงอย่าได้คบคนพาลเลยจงอย่าอยู่ในสถานที่ที่เขาเห็นเธอเป็นศัตรูหรือที่ที่ส่งเสริมโลภะหรือโทสะ หากเธอทำเช่นนั้นมันก็มีแต่จะเพิ่มอารมณ์ที่รบกวนจิตใจเธอเองและผู้อื่นจงอยู่ในที่ที่จิตใจของเธอรู้สึกผ่อนคลายและการปฏิบัติธรรมของเธอก้าวหน้าได้โดยอัตโนมัติ <c oughs> การอยู่ในสถานที่ที่มากไปด้วยสิ่งยึดติดและสิ่งรบกวนจิตใจนั้นมีแต่จะทำให้จิตใจของเธอว้าวุ่นและหวั่นไหว จงอยู่ในที่ที่ธรรมะปฏิบัติของเธอเก้าวหน้าได้ดีหากเธอถือดีเย่อหยิ่งคุณความดีของเธอจะกลับถดถอยดังนั้นจงละเลิกความถือดีทะนงตนหากเธอรู้สึกเสียใจผิดหวังหรือท้อถอยจงปลอบใจและให้กำลังใจตนเอง ทำใจให้สบายแล้วกลับมาคงการปฏิบัติต่อไปท่านกุรู้ได้กล่าวว่าหากเธอปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมอันเป็นแก่นแท้จริงจงภาคเพียงกระทาแต่ในสิ่งที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม และทิ้งสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งปวงไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดเช่นกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ย่อมเกิดจากน้ำทีละหยดแม้เขาพระสุเมนและทวีปทั้งสี่ก็ล้วนเริ่มเกิดไปจากอนุเล็กๆมันไม่สำคัญเลยว่าความดีที่เธอทำนั้นมันจะเล็กน้อยแม้เพียงแค่มเมล็ดงา หากเธอให้ด้วยความเมตตากรุณาและโพธิจิตเธอย่อมได้รับบุญกุศลนับร้อยเท่าหากเธอให้โดยปราศจากโพธิจิตบุญกุศลของเธอก็จะไม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าเธอจะเสียสละกระทั่งม้าหรือวัวควายจงอย่าได้หมกมุ่นอยู่กับการสรรเสริญเยือนยอหรือมิตรภาพที่จอมปลอม จงคงรักษากายวาจาใจให้ซื่อตรงธรรมปฏิบัติอันสำคัญยิ่งคือกายวาจาใจที่ซื่อสัตย์สุจริตรากฐานของธรรมปฏิบัตินั้นคือปณิธานที่บริสุทธิ์ความเมตตากรุณาและโพธิจิตสมายาแห่งนมนตราศักดิ์สิทธิ์ศีลของพระโพธิสัตว์ และศีลวินัยของพระสาวกทั้งหลายร้วนรวมอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านคุรุได้กล่าวอีกว่าจงใช้อาหารและทรัพย์สมบัติทั้งหลายของเธอไปเพื่อการกระทำอันเป็นกุศลคนบางคนอาจพูดว่าคนเราต้องใช้สมบัติเวลาใกล้ตาย แต่ยาเมื่อเธอเจ็บป่วยปางตายทรัพย์สมบัติเงินทองก็ไม่สามารถช่วยให้เธอหายเจ็บปวดได้แม้ว่าเธอจะมีคนช่วยเหลือมากมายแค่ไหนก็ตามและความเจ็บปวดของเธอก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแม้ว่าเธอจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่เลยในเวลานั้นมันไม่ได้ต่างกันเลยไม่ว่าเธอจะมีผู้ช่วยเหลือคนรับใช้ หรือทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดล้วนกลับเป็นเหตุแห่งความยึดติดความยึดติดนั้นจะผูกมัดเธอไว้แม้ว่าจะเป็นการยึดติดในองค์เทพแห่งพุท ธ, ธะหรือยึดติดในธรรมก็ตามเศรษฐีลงยึดติดในเงินทองนับล้านคนยากจนลงยึดติดในเข็มและได้ของตน มันก็ล้วนเป็นการผูกมัดไวเท่ากันจงละเลิกความยึดติดทั้งปวงอันเป็นสิ่งขวางกั้นประตูไปสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นยาเมื่อเธอตายมันไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ว่าร่างกายของเธอจะถูกเผาด้วยแก่นไม้จันทร์หรือถูกแร้งกาหรือหมาในกินเธอยังคงต้องเป็นไปตามกระแสแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่ว ที่เธอได้กระทำไว้อย่าเมื่อมีชีวิตอยู่ชื่อเสียงเกียรติยศหรือความเสื่อมเสียของเธออาหารทรัพย์สมบัติเงินทองและค่าทาาบริวารทั้งหมดล้วนต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในวันที่เธอตาย เธอจำเป็นต้องอาศัยผูรู้ผู้ประเสริฐเพื่อนาําทางดังนั้นจงค้นหาท่านให้พบหากปราศจากผูรู้ผู้ประเสริฐเธอไม่มีทางที่จะตื่นแจ้งต่อความหลุดพ้นได้ดังนั้นจงปฏิบัติตามผูรู้ผู้ประเสริฐของเธอและกระทําทุกอย่างที่ท่านสั่งให้สําเร็จ รูยังได้กล่าวไว้อีกว่าจงตั้งใจฟังให้ดีบุคคลในอนาคตผู้โชคดีที่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของปัทธรรมการาก่อนอื่นสิ่งใดเมื่อเธอเข้าสู่เส้นทางแห่งการปฏิบัติเธอต้องขยันหมั่นเพียรเพราะในอดีตอันยาวนานเธอได้ตกจมอยู่แต่ในประสบการณ์แห่งความหลงนานนับกับไม่ท่วน ไม่ว่าการกระทําใดๆของเธอล้วนเฉยชฉยออกนอกทางเพราะอำนาจแห่งความหลงผิดดังนั้นจงตัดขาดความหลงทั้งหลายเหล่านี้เสียแต่ตอนนี้ในขณะที่เธอมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์สรรพสัพตว์ทั้งหลายล้วนถูกปิดบังจนมืดมิดด้วยอภิชาความหลงโดยรากฐานทั้งหมด เมื่อสภาวะแห่งความเป็นคู่เกิดขึ้นมันก็ถูกตีกรอบด้วยความหลงยึดติดในธรรมคู่ไม่ว่าสรพสัตจะกระทำอะไรมันก็ย่อมนำไปสู่ความทุกข์ทั้งสิ้นซึ่งคุกแห่งความหลงในภพภูมิทั้งหที่คุมสัตว์ไว้นี้ช่างแน่นหนายิ่งนักมันเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แม้ได้เกิดมาเช่นนี้ก็มีเพียงไม่กี่คนที่จะได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าแม้ได้ยินแล้วก็มีส่วนน้อยมากที่จะบังเกิดความศรัท ธ, ธาและแม้บังเกิดความศรัท ธ, ธาหลังจากเข้าสู่ธรรมแล้วหลายคนกลับดื้อรัน้นทำตัวล่วงละเมิดศีลและสมายาที่ได้สมาทานไว้อันเป็นเหตุนำตนให้ตกต่ํา เมื่อได้พบสรรพสัตว์เช่นนี้เหล่าโู้ทีสัตว์ทั้งหลายย่อมบังเกิดความสิ้นหวังและตัวฉันเองปัทมะการาก็รู้สึกเศร้าใจโซเกียวในที่ที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แม้ว่าคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ และได้สร้างสมบุญบารมีมามากมายหลายชาติแต่พวกเขาก็ยังคงติดจงอยู่ในกรรมแห่งภพภูมิทั้งหกแม้ได้ทราบถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเขาบางคนกลับถูกเผารนไปด้วยไฟแห่งโลภะและโทสะวิตกกังวลอยากให้ผู้อื่นมาสนใจเช่นเดียวกับตนแม้ได้เข้าร่วมกับผู้ปฏิบัติมากมาย พวกเขากลับกังวลว่าสังสารวัฏจะสูญสิ้นโลภะและโทสะเช่นนี้ย่อมนำพวกเขาไปสู่นรกซึ่งในอนาคตชาติพวกเขาจะต้องไปเกิดในที่ที่เขาไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงพระรัตนตรัยอีกเลยพวกเธอผู้ที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ หผู้ที่จะเกิดในอนาคตและเป็นผู้ที่ได้ฟังคำสอนของฉันปัทมาการายอย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่พวกเธอควรจะต้องกระทำในการที่จะได้ประโยชน์จากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เธอจำเป็นต้องอาศัยธรรมอันประเสริฐผู้ที่หลงยึดติดและดิ้นรนไปเพื่อลาบยศและสรรเสริญของโลก มากกว่าการสนใจที่จะปฏิบัติธรรมเขาจะเป็นได้แค่สัตว์ชั้นสูงเท่านั้นหากเธอกังขาเรื่องนี้จงพิจารณาให้ดีว่าการห่วงกังวลถึงความสุขสบายทางกายและกังวลอยากจะให้มันคงอยู่การห่วงกังวลถึงชัยชนะของตนการห่วงกังวลอยากให้คนใกล้ชิดของตนได้ประโยชน์ การห่วงกังวลอยากให้ศัตรูของตนได้ชดใช้ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเล็กน้อยที่คนในโลกนี้เป็นนกที่บินอยู่ในอากาศหนูที่อยู่ใต้ดินมดที่อยู่ตามก้อนหินล้วนก็มีสิ่งเหล่านี้สัตว์รพหัทั้งหลายก็ล้วนมีสิ่งเหล่านี้เช่นกัน แม้จะมีศัตรูน้อยกว่าสัตว์อื่นมันก็ยังเป็นเพียงแค่สัตว์ชั้นสูงในหมู่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้น <VER. S 1> <mejores. S 2> เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเธอจําเป็นต้องสละละวางความยึดติดในถิ่นฐานบ้านเรือนเพราะบ้านเกิดของเธอนั้นคือแหล่งกาเนิดของความยึดติดและความขุนเคือง เก็บอาหารและทรัพย์สินให้มากพอแค่เพียงเท่าที่เธอสามารถขนไปได้อย่างสะดวกทำเช่นนี้จนกระทั่งเธอสามารถละวางอาหารและเสื้อผ้าได้จงอย่ากเก็บสมบัติที่จะทำให้เธอต้องวาวุ่นใจหาสถานที่ที่ปลอดภัยไม่มีโจรผู้ร้ายกินแต่เพียงน้อยนิด แค่เพียงให้เธอดำรงชีวิตอยู่ได้อาศัยอยู่ในที่วิเวกคนเดียวโดยปราศจากเพื่อนฝูงเบื้องต้นจงละทิ้งการกระทำไม่ดีทั้งหลายเสียให้หมดต่อไปให้เฝ้าสังเกตจิตของเธอเองความจริงที่ว่า สภาวะธรรมชาติของจิตนั้นไม่คงที่ตั้งอยู่นานแต่จะฉายออกมาเป็นความคิดอันมากมายนั่นย่อมพิสูจน์ว่ามันว่างเปล่าการปรากฏขึ้นของความคิดอันสืบเนื่องคือการรับรู้อันไสกระจ่างจงอย่าได้ไหลตามความคิดที่เกิดขึ้นจงอย่าได้ยึดติดในการรับรู้อันใสกระจ่างนั้น เมื่อผ่อนคลายความจดจ้องของเธอจนสามารถแจ้งประจักษ์ในธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของความคิดและการรับรู้นั้นความตื่นรู้ตามธรรมชาติของเธอก็จะปรากฏเช่นเดียวกับธรรมกายขณะเดียวกันจงปฏิบัติในกุศโลบายที่จะช่วยขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างเครื่องเกลื่อนหนุนทั้งหลายหากเธอทาตามคาแนะนานี้ของฉัน เธอจะบรรลุถึงสภาวะแห่งวัชระธาราธรรมกายแห่งพุทธะได้ในชาตินี้โซเกียวต่อไปในอนาคตจะมีบุคคลผู้มีผิวสีน้ำตาลแก่และมีรูปลักษณ์ที่ดุดันโหดเยี่ยมปรากฏขึ้นในปลายยุค ข, ของพระพุทธเจ้าเรานี้ เขาจะมาเพื่อเก็บรักษาคำพูดทั้งหลายของฉันเหล่านี้ไว้ในกล่องเงินนี่คือคำแนะนำของท่านครูปัมะสามภาวะแห่งอุทิยานอันเป็นดุจแก้วมณีอันล้ำค่าซึ่งเปิดเผยโดยท่านริกซินโกเดงองค์วิทยาธาราผู้ประดับด้วยขนของพญาแรงจากคุมสมบัติที่ถูกเก็บซ่อนไว้ทางตะวันออก สามายาขอให้มันถูกเก็บร <His love. S 1> <reality> ักษาไว้ขอให้มันเป็นคุณในอนาคตขอมงคลทั้งหลายจงมีแด่พวกเธอ